ท่านสาธุ 22 ธันวาคม 2531 ตอนนี้เป็นตอน เรื่องๆที่มีความสําคัญมีอยู่ที่ <c oughs> จะเป็นเพราะมะหายกับสักกดีเป็นเพราะเจ้าจากภัยกดี็ políticascentrasudine ก็เป็นเศวนทนเถอะワดึง จะเป็นขาภวДี หรือทุก cortisthatu ใครสมัครใจไปทางไหนไปได้ทางนั้นแต่ว่าสวรรค์ก็ว่านรกเค้าจะเปิดรับสติฉานหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือว่าสติฉานที่ต้องตกนรก หรืออาจจะมีแต่จําไม่ได้ ik heb op, ik heb op. Ik heb op. Ik heb een op. Ik heb er op. Ik heb er een paar op. Ik heb er een paar een อย่างช้างของตมารกมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเอราวัณเทพบุตรได้ช้างเชือกนี้ปรากฏประวัติเป็นแค่สร้างความดีอยคน 33 คนเพื่อทําความดีช้างไม่ยอมเหยียบนอนเฉยๆในอําเภอ และเมื่อเสด็จเดินภัยไม่ยอมเหยียบเป็นว่าช้าง <c oughs> ตอนนี้ไอ้ชื่อว่าหมาไปสวรรค์ชั้นเดวดินสเทวะโลกคนบันทึกเขียนไว้ด้วยนะชิ้นเจ้าหัวข้อว่า สุนัขแปลว่าเล็บงามเป็นภาษาบาลีๆแค่ศัพท์ภาษาๆแล้วเธอเป็นหมาเธอ เออหมายความว่าคนที่จะไปดาวดึงส์ถ้าหมาที่จะไปดาวดึงส์ตัวนี้เดิมทีเดียวเป็นคนตายจากคนเป็นหมาตายจาก ต่อไปก็ได้เป็นมหาเศรษฐีก็ท่านพวกนี้ไปนิพพานแล้ว อันนี้ก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนท่านทราบว่าหมาที่มีและมีความยินดีในพระญาติ์ไม่อาจจะมีความผิดโกติได้ไม่มีความผิดจะวิ่งไปหาพระแสดงความยินดีในพระญาติถ้าหมามีบุญก็ได้ไปสวรรค์เราก็ช่วยสงเคราะห์ให้สัตว์ไปสวรรค์ด้วยจะเป็นการ เป็นอยู่เมืองเมืองหนึ่งท่านผู้นี้เดิมทีเดียว 2-3 เดือนเนาะเดือน 2 เดือน สองคนตายยายโกรธทหารที่ยังหนุ่มหน่าวสาว <c oughs> สามีหานโยบายบอกว่าเธออุ้มลูกมานานแล้วหาบเถอะฉันเวลาก็ ในเมื่อโกตวนิกะเห็นสัมปัญญาไปไกลก็ลูกเข้าไว้ <c oughs> ตอนนี้เวลามันก็ค่ํามากแล้วไม่รู้ว่าไปไหนจะไปไหนกันพัญญ์ยาถามว่าลูกไปไหนคือก็รับตามความเป็นจริงว่าทิ้งไว้ที่โคนไม้โน้นพัญญ์ยาเสียใจกลับเดินย้อนมาใหม่มหาลูกมันก็ค่ําแสงค่ําหาไม่พบคนที่สุดก็ต่างคนต่างเดิน หิวใส่ความหิวโหยมา 2 <c oughs> ท่านเลี้ยงไว้ท่านกินบ้างท่านก็แบ่งให้สุนัขกินบ้างข้าวที่สุนัขกินหรือหมากินตัวนี้สุนัขไม่ใช่หมาเพราะจริยาต่างกันขอเรียกว่าสุนัขคือเล็บงาม เมื่อแต่เลน 2 คนเข้าไปขออาหารท่านก็สั่งให้คน ปัญญาความจริงเมียเขาดีจริงๆมีความรักในผัวมากสูนขึ้นต้นได้อีกความเพียงเมีย เพราะฉะนั้นถึงแม้ยังไม่พออิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ตายแล้วมีอาหารกินเธอไม่คิดอย่างนั้น 2 เข้าไปคราวนี้มันก็ล้น ben zo'n dier dat is en dan wij. We zijn ooit We zijn mensen. We zijn mensen. We zijn mensen. We zijn mensen. We zijn in We zijn mensen. We zijn mensen. We zijn mensen. We zijn mensen. We zijn mensen. zijn แต่ก็จิตใจผูกพันกินไปมองดูสุนัขไปมองอาหารนี่ตอนกินมันก็ดีไม่เท่าสุนัขกินไปจิตใจผูกพันนึกถึงสุนัขเวลา กับไกรของพระเจ้าสุนัขตัวนั้น <c oughs> ฉะนั้นเวลาท่านมหาเศรษฐีจะทํา ตปะสีท่านเหล่ากถวดีท่านผ่าปากคนเผลอเสียงวันนี้มันคันกับ <c oughs> พอถึงป่าไม้ท่านก็ไม้ตีส่งเสียง เจ้าสุนัขตัวนี้ไปถึงพุ่มไม้ที่ท่านมหาสถีเคยตีเคยเคยตะหวาดก็ส่งเสียงเห่าโหงเฮง <c oughs> เจ้าสุนัขก็เดินนําหน้าพอถึงทางเลี้ยวเข้าบ้านก็เลี้ยวเข้าทําอย่างนี้เป็น เดินดึงชายสะบงให้เข้าทางเพราะฉะนั้นพระไปก็รวมความว่าเธอปฏิบัติอย่างนี้เธอ เขาส่งเสียงนิดหน่อยลีลาคล้ายจะนิมนต์พระ <c oughs> pega o l l a k t a d i m o d y a p o l e j blockchain h.e aep a l a y a t r y o y o n e k e y vulu dans l i on les chies Azure Et la je ne du감이 แต่ว่า�azione kommen P vo Scourg Haw LNG Y u n a T sa l a Y un c it n m i LS K ก็เป็นอันว่าท่านอาจราเจ้าสุนัขตัวนั้นหลังจากนั้นท่านก็ อาศัยที่มีความเคารพความรักในพระ ประเทय พุทธเจ้าอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอย่าลืมว่าเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระ ประเทय พุทธเจ้ามา เวลาที่ท่านมหาเศรษฐีไม่ไปไปไม่ได้ก็ใช้จะไปจะนึกตัวนี้ไปเค้าก็ทําทุกอย่างแสดงว่าเค้ารักพระประเทยะพุทธเจ้าแล้วก็มีความเคารพนับถือ แสดงว่ามีความนึกถึงรักพระจีพระพุทธเจ้ามากที่เป็นเครื่องพิสูจน์การที่มีความรู้สึกอย่างนี้บรรดา ถ้าจะถามว่าเจริญกรรมฐานนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องขอ จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่รู้ว่าข้อสําคัญมีว่าให้จิต ก็ต้องขอต่อว่าเค้าเรียกกันว่าอะไรนะเค้า แต่ว่าใครสนใจได้ทําไปบอกท่านก็ไปถ้าไม่เดินไป เธอพิท் Resources์ สนตวจ for the person who chat is as much as water oof. He doesn't like the أГ plum and say. He doesn't like water. He doesn't like water. He came and went downstairs and was grossed. It was a process. The person who asked the person is being immediate, is not itself as water. The person Pink himself of a person makes for the people who chat is good. Shees ฉะนั้นเมื่อเธอตายจากความวิสนัคก็ อันนี้เป็นไปเสียง กรรมที่ทิ้งลูกเข้ามาสนองถ้าไปเกิดเป็นลูกหญิงภัสยาคือโสเพณีโสเพณี เด็กคนนี้โตขึ้นมาจนทั้งเดินได้แข็งไม่ได้กินอะไรเลยเดินไปได้ตาม ก็ขอโทษมันสิแล้วนะเมื่อเอ่อได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ปรากฏเข้า แม่เมืองนี้พระมหาเศรษฐีก็ให้ไปดูลูกชายว่าเมียคลอดปุ๊ดหรือยังก็ปลากุว่ายังพอทราบว่าหญิงคนนี้คลอดปุ๊ดแล้วก็เขาไปกิ่งก็จะให้นํามาเลี้ยงมาใหญ่เป็นเป็นเหตุนั้นก็ทอดทิ้งเพื่อให้ตาย <c oughs> 7 ครั้งเวลาน้อยเขาเล่าละเลิศเรื่องใหญ่เขามีแล้วเมื่อทิ้งแต่ในสุดลูกชาย ต่อมาเค้าใช่ไปเพื่อฆ่าเพื่อเห็นในในบ้านฆ่าไปบ้านซุยก็ไปพักบ้านอนุเศรษฐีหลับลง 3 เธอแก้วห่อภาพมาดูอนุสิทธิ์พบว่าตายจริงคนนี้ พอซึ่งพอเลี้ยงซึ่งเป็น แต่ว่าเอินไม่ตายก็เพราะ เป็นผลให้เธอได้เป็นมหาสิทธิต่อมาในชาตินี้นี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคนเกิด ว่าชาตินี้กุศลและกุศลท่านสอนให้รู้จักให้ทานเราให้ท่าน อย่างกลางเราไปภูมิได้สวรรค์นี้ไม่จํากัดมี 6 ชั้นอย่างกลางไปภูมิอย 1 นาทีก็หมด จึงมี